เรานั่งภาวนาเท่ากับเรานั่งดูใจตัวเองที่เรานั่งผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเราได้เห็นใจเราอยู่ไหมหรือเราได้เห็นใจเราไปไหมเรารู้เรื่องว่าใจเราอยู่ไหมเรารู้เรื่องว่าใจเราไปไหมก็เรานั่ง บริกรรมภาวนาพยายามเอาสติเอาสัมปชัญญะมากำกับให้ใจอยู่เอาสติสัมปชัญญะมากำกับใจมามัดใจเอาคำว่าพุโทโธพุธโทโธมากำกับใจเป็นอารมณ์ของใจให้ใจอยู่เอาคุณธรรมสองบทนี้มากำกับทำความรู้สึกให้จิตคือผู้รู้รู้สึกตัว รู้สึกตัวเองตลอดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธเราเห็นมันอยู่บ้างไหมมันอยู่เป็นไงมันอยู่แล้วก็ตอนมันไปเราเห็นไหมมันมีสองอย่างหนึ่งอยู่กับไปอยู่ก็คือสงบเข้ามาข้างในนี่ไปก็คือมั น, นึกคิดไปตามอารมณ์ที่มันค้างอยู่นั่นแหะอารมณ์ก็คือเรื่องราวที่ผ่านทางตาทางหูจมูกลิ้นกาย แล้วใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปผ่านไปแล้วแต่ถ้าผ่านทางใจเรื่องใหม่ที่จะเพึงเกิดขึ้นสามารถจะพึงเกิดขึ้นได้คือการนึกการคิดการคาดการเดาที่เ่าเรียกว่าสัญญาอารมณ์รูปที่ล่วงไปแล้วเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันล่วงไปแล้ว มันก็ตกมาเป็นสัญญาอารมณ์ถ้าจิตมันไม่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันที่เราคำกับเลยบุตรพุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะไปอยู่กับสัญญาอารมณ์นั่นแหละสัญญาอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับกายเนี้ยมันไปอยู่ที่อื่นรูปก็อยู่ที่อื่นเสียงก็อยู่ที่อื่นอื่นไปจากกายนี้จิตมันไม่อยู่ที่อื่นจิตมันไม่ได้อยู่กับกายนี้มันไม่ได้อยู่กับ ลมเข้าพุทลมออกโทลมเข้าพุทลมออกโทคือจิตมันไม่อยู่แล้วแหละในเมื่อมันไม่อยู่ก็คือเป้าหมายของการทำให้ใจสงบก็ผิดเป้าไปเมื่อผิดเป้าไปใจก็เลยไม่สงบใจไม่สงบมันก็ไม่ได้รับความชุ่มไ ม, ไม่ได้รับความเย็นไม่ได้รับความสุข ไ ม, hora, ไม่ได้รับความปีติอิ่มเอิบในหัวใจไม่ได้รับความปีติใจไม่ได้รับความภาคภูมิใจไม่ได้รับความอบอุ่นใจถ้ามันเอาห่างไปจากตัวเราแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับความอบอุ่นใจมันจะไม่ได้รับความสำนึกรู้สึกตัวว่าเราอยู่หรือไม่อยู่มันไปทถพุทธพื้ สิ่งที่ชวนไปสิ่งที่ชักไปสิ่งที่ลากไปเป็นรูปไปหารูปก็ตามไปหาเสียงไปหากลิน่นไปหารสแท้จริงรูปเสียงกลิน่นรสเนี่ยเขาอยู่พอเขาเขาไม่ได้มายุ่งกวนอะไรกับเราแต่มันมีสิ่งตัวที่ร้ายกาศที่มันสิงอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันพาไปสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้ก็คือความ มายาสาไทยความเล่กลนของใจของเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสนี่กิเลสกิเลสคือความกิริยาอาการที่จิตมันดื้อดึงจิตมันโง่เง้าจิตมันไม่ทันกลอวบายมายาของกิเลสของกิเลสของสิ่งต่างต่างเหล่านั้นแหละจิตมันไม่ทันกิเลสเลยดึงไปลากไปชักไป ไม่ใช่มันไปโดยลำพังมันไปอย่างมีสิ่งชักไปลากไปถ้าเราภาวนาแล้วจิตเราไม่อยู่สิ่งที่พาให้จิตเราไม่อยู่ก็คือกิเลสแหละมันพาไปมันพาไปนึกคิดนอกนอกเหนือไปจากกายนี้นึกคิดเรื่องรูปที่ลงไปแล้วนึกคิดถึงเรื่องเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสแล้วก็ธํามารมคือชื่อว่าธรรมารมสามารถ นึกคิดเรื่องเก่าก็ได้สามารถปรุงเรื่องใหม่มาก็ได้ที่ฉันเรียกว่าสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์สัญญามีสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือมันนึกคิดเรื่องเก่าที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วเป็นรูปที่ผ่านไปแล้วเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่ผ่านไปแล้วมันเอามานึกมคิดมปรุงใหม่มาอุ่นใหม่ลงตาก็ได้เอามาอุน่นใหม่กินใหม่ มีการนึกคิดเอาสัญญา rom เดิมเก่ามาปรุงใหม่นึกใหม่คิดใหม่อันนี้คือลักษณะหนึ่งของมันอีกลักษณะหนึ่งก็คือมันคาดมันหมายมันเดาไป ล, ลักษณะของสัญญามันคาดมันเดามันหมายไปคาดเดาสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันก็คาดเดาให้เห็นสิ่งที่เคยเห็นที่เป็นรูปที่ล่วงไปแล้วเอารูปนั้นรูปนั้นล่วงไปแล้วพอ กิเล่มันแทรกเข้ามาเอาสัญญาเป็นเป็นเครื่องมือของมันกิเล่มันเอาสัญญาสัญญาเป็นเครื่องมือของมันอสัญญาที่เป็นรูปเก่านะแหละอาจจะเป็นรูปหญิงอาจจะเป็นรูปชายอาจจะเป็นรูปสิ่งของใดๆที่เราชอบพอต้องการออมันสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาที่ใจ สร้างขึ้นมาที่ใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเห็นเป็นรูปเดิมมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากรูปเดิมได้กลายเป็นรูปรูปนั้นเนี่ยกลายเป็นรูปที่มีตัวมีตนมีชีวิตมีชีวามีจิตใจเช่นอย่างเห็นรูปผู้หญิงเนี่ยมันก็สามารถอ uhh, แสดงเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปจริงขึ้นมาแทนที่จะเป็นรูปตายรูปนิ่งรูปอะไรไม่ใช่กลายเป็นรูปเป็นเปลี่นขึ้นมาะ สิ่งของที่เป็นอะไรก็ตามที่เป็นรูปที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองก็ตามเวลามันมาปรากฏสัญญาภายในใจของเราเนี่ยมันสามารถอ่ามันสามารถให้เรานึกคิดกลายเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะขึ้นมาได้กลายเป็นของกลายเป็นของเป็นเป็นขึ้นมาทํานู้นทํานี่ทําอะไรสารพัดให้กับเราได้นี่แหละคือตัวหมายรู้หมายรู้ มันหมายไปเข้ามันเองคำว่าหมายในที่นี้ก็คือคาดไปเดาไปหมายไปคําว่าหมายหมายว่าว่าเดามันสุ่มมันเดามันคาดมันคิดไปเช่นอย่างเราพูดถึงบ้านนู้นเมืองนู้นซึ่งเราไม่เคยไปเลยพอเราพูดขึ้นมาปั๊บสัญญาอารมณ์มันเกิดข e <zer ch |ar|> ึ้นอ่า uh, สัญญาอารมณ์เกิดขึ้นอถ้าพูดถึงบ้านมันก็โอ้น่าจะเป็นลักษณะบ้านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าพูดถึงคนโอ้น่าจะเป็นคนลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าพูดถึงหมู่บ้านก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าพูดถึงป่าถึงเขาอต้นน้ํลาลําธารอะไรต่างๆมันก็วาดเป็นมนโนภาพเราพูดถึงอเมริก า, ท, า, ท, าทั้งๆที่ไม่เคยไปมันก็วาดมนโนภาพว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือการหมายรู้การหมายรู้ของใจการหมายรู้ของใจตัวนี้เป็นเป็นกองงานกองงานหนึ่งนะ เป็นกิริยาอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตของเราจากใจของเราที่ท้องเรียกว่าสัญญาสัญญาขันสัญญาขันสัญญาขันก็ตามสังขารขันก็ตามในใจของเราเนี่ยมันจะทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันไปตลอดการที่มันปรุงยับขึ้นมาสัญญาขันรับช่วงต่อปรุงยับขึ้นมาสัญญาขันรับช่วงต่อด้วยเหตุที่จิตมันปรุงนั่นแหละมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ที่เรียกว่าสังขารด้จิตสังขารด้วจิตมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มันปรุงยับออกไปปรุงยับออกไปปรุงยับออกไปสังขารกับวิญญาณทํางานพร้อมกันสังขารกับสัญญาทํางานพร้อมกันสังสขารกับเวทนาขันนี่ทำงานประสานประสานพร้อมๆกันเพราะยานุเว่าสังขารทํางานทีไรเมื่อไร่แล้วมันก็จะมี จะมีเวทนาพ่วงมาด้วยจะมีสัญญาพ่วงมาด้วยจะมีวิญญาณพ่วงมาด้วยพร้อมไปกับสังขารสังขารังขันสังขารัขันคือความปรุงแต่งของจิตภาะในจิตของเราเป็นอย่างนี้เราย้อนมาดูแล้วเราจะเห็นเรามาเป็นผู้วินิจฉัยวิจัยวิจารจิตของเราแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากการที่เราทําความรู้สึกรู้ตัว รู้จักตัวเองรู้จักหน้าตาของตัวเองรู้จักกิริยาการของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจของเรารู้จักกิริยาการที่กิเลสมันเบาไปมีธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราเราย้อนมาตรงนี้เราเห็นเพราะนี่เป็นที่ทำงานเป็นจุดทำงานของจิตจิตของเราเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือจิตหรือใจคือผู้รู้ จิตหรือใจของเราทุกๆคนมีผู้รู้ผู้รู้นี้มายึดกายกายนี้เป็นวิบากเป็นผลผลของจิตเป็นผลผลของใจเป็นวิบากกรรมของใจ เ, เดี๋ยวนี้อัตภาพนี้เราได้อัตภาพเราได้วิบากกรรมของใจที่เป็นรูปร่างของความเป็นมนุษย์เห็นไหมเราก็เป็นมนุษย์นั่งต้องมองตั้งแมืกันอยู่เนี่ยเนี่ย จิตของเรามันได้วิบัต ก, กรรมเป็นมนุษย์เพราะมันมีคุณธรรมมีคุณสมบัติพอที่จะให้เมาบัตเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ชาติเกิดเป็นภพชาติของความเป็นมนุษย์เราก็ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์การพัฒนาไปทางด้านจิตใจก็พัฒนาไปตามรูปแบบของความเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นภพภูมิที่อยู่ในถ้ำกลางสามารถพัฒนาให้ดีที่สุดก็สามารถพัฒนาได้ สามารถพัฒนาให้เลวที่สุดก็สามารถพัฒนาได้ในภพชาติอัตภาพนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นภพชาติของความเป็นมนุษย์จึงเป็นภพชาติที่ประเสริฐที่สุดการอุบัติเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นการเกิดขึ้นได้ยากถ้าเกิดอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าประเสริฐที่สุดไม่เป็นไม่เป็นคนที่มีกรรมหนักเกิดมาแล้วตาบอดหูหนวกวิกลวิการทั้ง สังขารร่างกายทางประสาทสมองทางอะไรต่ออะไรสรารพัดเนี่ยเราเป็นคนปกติสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มร้อยไม่วิกลวิการบ้าใบาหูหนวกตาบอดนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดไม่ถูกกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาตามฤทธิ์รอนตัดส่วนนั้นไปตัดส่วนนี้ไปตัดตาออกไปเป็นคนตาบอดตัดหูออกไปเป็นคนหูหนวกอะตัดอวัยวะส่วนนั้นไป อ, อ้าวโอ้เวนกรรมเป็นโรค เดินไม่ได้โปลิโอโปลิโออย่างที่เราเห็นเนี่ย น, นี่ก็ถือว่าเป็นภพชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ถ้าหากไม่สมบูรณ์แบบก็คือมันยังมีกรรมหนักส่วนหนึ่งที่ตามมาเล่นงานเราในอัตภาพนี้ไม่ให้เราเนะี่ยมีความผาสุกเหมือนกับมนุษย์เขาเหมือนกับเลกเขานี่คือกรรมเราจะไปนึกถึงอย่างอื่นเรื่องอื่นต้องนึกถึงกรรมของเรา เพราะร่างกายของเรานี้เป็นผลผลของใจเป็นวิบากกรรมของใจเป็นผลงานของใจของใครของใครเขามีผลงานของใจอติดติดตัวมาด้วยกันทุกคนเสร็จแล้วก็มีใจดวงนี้ครอบครองครอบครองกายนี้ยึดกายนี้เป็นถ้าเป็นคูหาอหลังจากเขายึดถือครองกันแล้วเนี่ยเขาจะไปเขาจะแยกออกจากกันแยกยาก เยอะเลยยากมากเราจะนอนหลับหลับตื่นลืมตานอนหลับฝันไปกี่โลกกี่ทวีกก็ตามตื่นขึ้นมาเราก็อยู่ในขานนี้สลบไปถึงไหนก็ตามตื่นขึ้นมาก็อยู่ในกายนี้ไปไหนไม่ได้แต่ถึงคราวที่รูปสังขารตัวนี้ถึงขั้นต้องแตกต้องดับถูกของนักของหนักทับถูกของคมถูกของไม่มีคมเช่นอย่างลุก กระสุนปื น, นี้ถูกของที่ทำให้ระบบเราหายใจไม่สะดวกเช่นอย่างจมน้ำนี้ถูกของหนักทับเช่นอย่างรถไฟทับของมีของหนักอย่างอื่นเป็นต้นเป็นของทับร่างกายนี้เหลือแก่เหลือบากกว่าแรงที่จะสื บ, ะสบระบบอวัยวะแต่ละเส้นแต่ละสายได้ ก, ก็ถึงก็ถึงการดับ ดับชีพคําว่าดับชีพก็คือดับชีวิตดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือตายเมื่อตายแล้วจิตตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องโดดออกไปแล้วนะพอถึงคราวรุนแรงถึงขนาดนี้เขาถึงจะโดดออกไปเวลาเขาจะโดดออกไปไม่ใช่จะโดดออกไปไในง่ายๆตาเลือกตาค้างอยู่นั่นแหละือเขาจะดิ้นหลุดออกไปจากความผูกพันกับกายดวงนี้เรา ถ้าเราเคยไปสังเกตเห็นคนตายเราจะเห็นว่าคนตายจะไม่ค่อยเป็นปกติจะต้องแหลบลิ้นจะต้องจะต้องตาเหลือกตาค้างจะต้องชักดิ้นชักงอชักอะไรเนี่ยกว่าผู้รู้ตัวนี้เขาจะแยกออกจากกันไปนี่เขาแยออกกันจากกันไปได้ยากมากนอกจากผู้รู้ผู้ฝึกฝนผู้อบรมเช่นอย่างครูบาอาจารย์เท่านั้นที่ท่านค่อยๆไปหายไปหายไปงี่ไปมอนอย่างเราฟังประวัติหลวงปู่ม่นนั่นะ ท่านหายใจแผ่วเบาเบางียง้ยไปเงียง้ยไปเงี้ยไปเงี้ยไปเงี้ยไปมิดไปเลยไม่รู้ท่านไปแต่ตอนไหนไม่มีชักกระตุกตรงนั้นตรงนี้ไม่มีนั่นผู้ที่ท่านฝึกไปแล้วอืวิญญาณคือจิตพร้อมที่จะทิ้งรูปปักษันอันนี้ไปอยู่แล้วเพราะว่าท่านฝึกฝนอบรมและเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ของของเที่ยงแท้แน่นอนเลยเป็นของที่ท่านจะพึงทิ้งอท่านทิ้งตั้งแต่ท่านยังไม่ ไม่ถึงเวลาใกล้จะตายทั้งกับทิ้งไปแล้วพอเวลาใกล้จะตายทั้งสลัดไปไง่ายๆนี่เราพูดถึงว่าเวลาเขามาประสบพบเจอกันแล้วก็จะออกจากกันไปได้ยากเรานึกเราคิดเราพูดอย่างนี้เราก็น้อมมาที่ตัวเราเรามาทาความรู้จักตัวของตัวเราทำความรู้จักกายของเราทำความรู้จักใจของเราเพราะฉะนั้นถ้ากเรามาทาความรู้จักเรามา ภาวนาระม่อบริกรรมระม่อบริกรรมเพื่อทําความรู้จักกับจิตของเราจิตของเราถ้ามันอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะตื่ น, ม, นมันจะรู้อะไรต่ออะไรชัดรู้ลมหายใจเข้าก็ชัดรู้ลมหายใจออกก็ชัดดําริคําว่าพุทโธก็เป็นอิสระไม่ใช่ดําริแบบบินบินแบบครึ่งครึ่งกลางกางถูกความรู้สึกที่ชัดเจนแย่งออกไปเป็นเรื่องอื่น เพื่อนึกถึงสัญญาอารมณ์นั้นนึกถึงสัญญาอารมณ์นี้ชัดเจนขึ้นมานี่คือเนี่คือเราภาวนาะให้ใจสงบแท้จริงที่ใจไม่สงบใจก็ถูกกิเลสละดึงไปลากไปชักไปแต่ถ้าหากใจมันสงบจากกิเลสคือกิเลสไม่มายุ่ยแย่ก่อขวนจิตจิ ต, จตของเราก็จะสงบสงบอยู่กับอารมณ์สงบอยู่กับอารมณ์มที่เรียก ว, ว่าพุทธโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ พอเวลามันอยู่แล้วมันอิ่มมันมีความสุขมันมีความเบากายเบาใจอันนี้คือบุญที่เกิดขึ้นทันตาที่เราภาวนาเนี่ยการภาวนานี่คือการหาบุญพร้อมที่จะเกิดขึ้นทันตาเราเนี่ยจนะิตได้รับความสงบอ่าได้รับความสงบการที่จะได้รับความสงบด้วยเหตุบางอกินด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็มันมันไม่มีนอกจากเราตั้งจิตตั้งใจอ่าตั้งใจฝึก ฝึกตั้งใจฝืนตั้งใจชักมาตั้งใจดึงมาตั้งใจลากมาตั้งใจอดตั้งใจงดตั้งใจเว้นไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงปรุงในเรื่องเดียวพุทโธพุทโธโตพุทโธ พ, พยายามทำความอุตสาพยายามเทำความเพียรคําว่าความเพียรก็เหมือนกับว่าเราจ้องตาดูแบบไม่กระพริบตานะเนี่ยคาว่าความเพียร น, นะ อาศัยสติเป็นเครื่องมืออาศัยสัมผัสันยัรู้ตัวเป็นเครื่องมือกํากับเป็นเครื่องมือดูแลแล้วก็อาศัยสติคือระลึกดูใจของเราระลึกพิจารณาใจของเราเหมือนกับไม่กระพริบตาจ้องดูเหมือนไม่กระพริบตาต่อเนื่องกันพืชนั่นแหละที่ท่านเรียก ว, ว่าความเพียรความเพียรคือการทํางานการดูงานแบบต่อเนื่องไม่ปล่อยให้พลาดไปจาก สายตาหรือไม่ปล่อยคลาดไปจากความรู้สึกว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเนี่เราทําอยู่อย่างนี้จนจนชินถ้าเราไม่ทํามันจะไม่ชินเราทําจนชินทําจนชินแล้วจิตมันก็จะอยู่วันนี้เรามาทําเราก็ดึงก็ยเยอะกันอถึงเวลาเราทาอีกเราก็ค่อเยาะกันทําอีกก็ค่อยเยาะก็ค่อยเยาะไปค่อยมาดึงกันไปดึงกันมาลากกันไปลากกันมาเราก็ได้ชนะมันบ้าง ทีแรกก็ชนะบ้างคือจิตพอได้รับความสงบบ้างพอต่อต่อไปก็ชนะมากเข้ามากเข้ามากเข้าเนื่องจะว่ามันเป็นงานที่เราจะเราทำแต่ต้องทำอย่างสนปกสนใจทำอย่างต่อเนื่องถ้าหากเราทำไม่ต่อเนื่องกิเลสมันก็พาพาไปนึกไปคิดอย่างอื่นนึกคิดมากปรุงมากไปเท่าไหร่มันก็ตกเป็นวิบากกรรมฝ่ายมันฝ่ายกิเลส เรามานึกมาคิดทั้งฝ่ายทําให้มากๆนึกคิดปรุงไปมากเท่าไรจิตก็เริ่มสงบตกกลายเป็นวิบากกรรมของธรทำเป็นการทําให้จิตของเราเนี่ยอ่อนเข้ามาน้อมเข้ามาง่ายเข้ามาไม่ดื้อไม่ดึงไม่ต้องขยเยอ้กันไม่ต้องชักกันสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยท่านให้ภาวนาะให้ใจสงบถ้าใจสงบเราก็จะได้รู้จักว่า ร่างกายของเราเป็นอันหนึ่งจิตของเราเป็นอันหนึ่งร่างกายของเรากับจิตของเรามาผสมผสานกันอหรือหมดความรู้สึกกับกายก็มีความรู้สึกอยู่กับผู้รู้สว่างโอยู่ไม่ใช่จมมิดหายเงียบไปแบบไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสติกํากับไม่มีสัมผชน ญ, ญ์กํากับแบบนั้นท่านว่าเป็นสมาธิผิดเป็นสมาธิ ที่เป็นมิจฉาสมาธิถ้าเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นจากการที่เราดึงมาจนอยู่จนจิตของเราได้รับความสงบเป็นสมาธิมันก็จะเป็นความตั้งมั่นของจิตความแนบแน่นความมั่นคงของจิตจิตได้รับความสงบยิม้มเอิบเบิกบานสงบมากสงบน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะฝึกฝนอบรมได้แต่เวลาจิต ถอยออกมาถอนออกมาจากความสงบลงตาท้านในพิจรารณาพิจารณาดูร่างกายนี่แหละเพื่อทําลายความหลงกายนี้เรายึดกายก็เพราะว่าเราหลงกายเราหลงกายเพราะว่าเราไม่รู้ความเป็นจริงของกายเราไม่รู้ความเป็นจริงของกายเพราะเราไม่เคยมาพิจารณาย้อนดูความเป็นไปของกายว่ามีอะไรเป็นยังไงอเพราะฉะนั้นท่านยิ่งให้เอาจิตที่สงบไม่หิวอารมณ์นี่แหละ มาพิจารณามาดูคลี่คลายอัตภาพร่างกายคลี่คลายอัตภาพร่างกายเพื่อทำลายความหลงหลงกายก็ยึดกายหลงจิตก็ยึดจิตหลงกายก็ยึดกายห ล, ลงสิ่งที่เป็นภายในก็ยึดก็ยึดสิ่งที่เป็นภายในย้งหลงสิ่งที่อยู่นอกกายก็ยึดสิ่งอนอกกา ย, โ, กกายโดยเหตุที่เราลุ่มหลงนี่แหละจึงเป็นเหตุให้เรายึด การยึดก็คือยึดตามสัญญาอารมณ์ยึดตามการยึดลักษณะของการยึดก็คืออุปาทานอมันถูกตันหากระซิบกระซาบ พ, พาให้เรายึดนะตันหาตันหาเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตันหาตันหาเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอุปาทานคือการยึดการถืออุปาทานเป็นปัจจัยแห่งพบ ควรจะไปอยู่ในสถานะใดนิทานเรียกว่าพบพบการที่จิตไปอยู่ตามสถานะแห่งตนแห่งตนนี่ท่านก็เรียกว่าพบการที่จิตจะไปะบัติที่นู่นที่นี่ตามผลงานที่จิตยึดจิตถือนี่ท่านก็เรียกว่าพบเพราะฉะนั้นอุปาทานเลยเป็นปใจใัจจัยเกิดพบพบคาว่าพบก็คือจิตมันเปลี่ยนสถานะของมันอ่า ไปยึดนู่นไปยึดนี่ไปยึดยึดที่ไหนมันก็ไปอยู่ที่นั่นยึดที่ไหนมันก็ไปอยู่ที่นั่นแต่ถ้าหากยึดในขณะที่เราดับที่ใบชนไปจิตมันเคยยึดอะไรยังไงมันก็จะไปเกิดในพบในภูมิที่มันยึดนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดพบพบเป็นเหตุให้เกิดชาติเมื่อเรามีที่เกิดเราเราก็จะต้องไปเกิดในที่ที่เรามีเกิดนั่นแหละเพราะ เหตแห่งกนเหาปขาดฐานจึงเป็นไปตามนั้นเกิดพบใดชาติใดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย